มิทุเพาทาทําให้มันแตกแยกกันเป็นสองฝ่ายอธิบายว่าทําการแตกแยกซึ่งกันและกันกับเจ้าเหล่านั้นพราหมณ์พอคิดในได้อย่างนี้ถามว่าพระพุทธเจ้ า, อาพอพระพุทธเจ้าตรัสจบเนี่ยพรามณเขาคิดออกได้สองวิธีพระพุทธเจ้ารู้ไหมว่าพรพอพระองค์ตรัสสนทนากับพระนรนท์เสร็จแล้วพราหมเขาจะคิดได้อย่างนี้บอกพระองค์รู้เอารู้แล้วทําไมจึงตรัสจริงๆอ่ะที่ตรัสอย่างนี้ก็ตรัส ด, ด้วยกรุณา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 แต่การตรัสของพระองค์อย่างน้อยที่สุดแผนของพรามณ์ก็จะเกิดขึ้นแผนอุบาทเนี่ยนะก็จะเกิดขึ้นแผนยุยอเออที่เรียกว่ายุแยกนะนะทให้แตกร้าวก็จะเข้าเข้ามาเพราะฉะนั้นกว่าจะทําลายความสามัคคีกันได้ก็ต้องอีกสองสปีข้างหน้าน่นอ่ะมันจะรู้อยู่แล้วว่าพวกนี้ยังไงก็ตายแต่ว่าอีกสองสาปีข้างหน้าเพราะในสองสาปีข้างหน้าก็ยังอะไรโอ้ยชีวิตตั้งอีกตั้งสองสาปีชื่อว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐแล้ว เพราะอะไรเพราะจะได้ทําบุญบุญจะได้เป็นที่พึ่งของตนเน่ยนะเพราะอย่างน้อยที่สุดหลังจากที่พระองค์ตรัสพรรษานั้นพระองค์ก็ไปจําพรรษาที่เมืองไผ่าลีเขาจะมีการฟังธรรมตลอดพรรษาพระรีเจ้าทั้งหลายก็ไปจําพรรษาณแทบจะเรียกว่ารอบเมืองไผ่าลีไปหมดเลยพระอรหันต์ทั้งหลายก็ไปจําเพราะฉะนั้นใช้เวลาปีเศษเศษเนี่ยนะปีเศษเศษเขาจะมีการฟังธรรมฟังธรรมให้ทานสมาทานศีลอีกมากมาย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 พรามก็ไปกราบทูลให้พระเจ้าชาติศัตรูว่าพระดํารัสของท่านพระสัมณโคดมบ่งชี้ว่าใครๆไม่อาจจับเจ้าวัดชีได้นะเขาฟังแล้วเขาอธิบายเองเลยนะนะอัตกถาว่านั้นเถอะเป็นอัตกถาให้พระเจ้าชาติศัตรูเสร็จเลยบอกว่าแต่อาจจะสามารถทําได้สองวิธีหนึ่งเจรจาปรองดองกันซะข้อสองทำให้แตกความสามัคคี พระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยมันไสเมืองไทยสาลีมานานนะใช่ไหมบอกช้างม้าเป็นต้นของเราเนี่ยจักพินาศ ด, ด้วยการเจรจาทําไมเราต้องเสียช้างด้วยทําไมเราต้องเสียม้าด้วยทําไมเราต้องเสียแก้วเวนเงินทองอีกไม่ต้องเพราะฉะนั้นเราจับจับเจ้าวัดชีชั้นต้นทําลายความสามาคัคคีเอเธอเนี่คิดเอจะไปยุแยงยังไงให้บ้านเมืองเขาแตกกันทําไงดี วสการพรามก็ออกแผนให้เขาฉลาดมากนะเรื่องธรรมดาประเภทนี้ประเภทอะไรที่ล่วงอาุศลกรรมบทนะคนนี้จะคิดได้เร็วมากเลยแป๊บเดียวปั๊บปัก็จะคิดได้เยอะวิธีที่หนึ่งฆ่าวิธีที่2องรีบซับวิธีที่ ส, ส, สมมู่สายุแยงตะแคงรั่วดื่มเหล้าอะไรเนะี่ยเขาจะเก่งมากวิธีเนี่ยขอให้ประเภทล่วงอาุศนกรรมบทนะเขาจะอุย้ยไวมากเลยเหมือนฉลาดนะที่ไหนได้นะเสร็จแล้วพรามก็เลยบอกว่าพระ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 นะก็กวัสการพราม์ก็ออกแผนให้หมดเลยสแสดงว่าคงเบ่งอินเดียนะคละ้ายๆกลุ่มเนี้ยพวกนี้บาปเยอะเหมือนฉลาดเนี่ยนะตอนนั้นคนก็ยอมรับแต่เสร็จแล้วชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยนะอย่างวัสการพราม์เนี่ยก็โอ๊ยบาปบานเบอร์เลยคงเบ่งเนี่ยก็บาปบานแบ่เลยนะบาปเป็นฆ่าคนเป็นล้ า, ลานๆเนี่ยนะในที่สุดเนี่ยนะ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 พระเจ้าอวัสการพราหม์ก็อ้างว่าเมืองนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าข่าพระองค์รู้หนดนะจุดอ่อนจุดด้อยจุดเด่นอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าข่าพระองค์ทําเนี้เดี๋ยวเมืองพระองค์แหลกแน่นอนก็ทําเป็นเหมือนกับพระเจ้าชั้ตรูแกล้งโกรธไปซะแล้วก็ในที่สุดแผนอันนี้ก็เป็นไปตามที่วัสการพราหมณต้องการพระเจ้าชั้ตรูก็อนุมัติก็เลยถูกโกนหัวตะเพิดหนีออกนอกเมืองทีนี้เจ้าฤาวีพอฟังการว่าน วสการพราหม์ถูกในประเทศก็ตราบว่าไอ้พรามณ์คนนี้มันขี้โม้เหมือนกันโอ้อวดขี้โกงวะโอ้อวดแปลว่าขี้โกงมันมันมีเลขกระเทมากเชื่อไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นอย่าให้พราหมณ์นั้นอะข้ามมาสู่ฟากบ้านเมืองเราเด็ดขาดคือจากไพราลีไปแคว้นมาคตรสองแควนเนี่ยมันถูกขั้นด้วยแม่น้ําคงคาันอย่าให้ข้ามแม่น้ํามาฝังบ้านเมืองเรา เาริชวีบางพวกก็บอกว่านั้นเขาทําถูกต้องคือข่าวอันนี้เนี่ยมันรั่ว ม, มาถึงกษัตริย์ชวีหมดแหละเพราะว่าอย่าลืมว่าสมัยก่อนเนี่ยเขามีก็ว่าหน่วยจารกรรมหน่วยจารกรรมฟังข่าวจากภากหนึ่งส่งไปอีกภากหนึ่งภากหนึ่งส่งไปอีกภากหนึ่งอย่างพระเจ้าเประเซนที่โกศลเนี่ยจ้างหน่วยจารกรรมเขาทํำยังไงเขาจ้างไอ้พวกฤๅษีเนี่ยพวกข้าราชการเนี่ยบอกพวกเกเป็นฤๅษีซะแล้วก็ไปเที่ยวล่าข่าวเนี่ยนะบางทีพวกนักบวชแหมมีศีลมีธรรมเนี่ย กลุ่มนี้เนี่ยก็เป็นนักข่าวที่ไหนได้ก็เป็นกลุ่มหน่วยจารกรรมหาข่าวครา ว, ข, าวข้อมูลของบ้านเมืองเมื่อไม่นานเนี่ยเขามารู้จักพระรูปหนึ่งเขาก็มีที่จริงแล้วเขาก็มาสืบที่ไหนได้ท่านท่านท่านก็เป็นพระอนะแต่เป็นพระหาข่าวของบางประเทศนะของหาข่าวคราวของบางประเทศมีการชุมนุมกันไม่มีอะไรกันไหมเป็นต้นนะก็เป็นที่มาของปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เรียกว่าอ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 วสการพรามก็บอกแหมก็ทําผิดเรื่องเล็กเรื่องน้อยทําไมต้องลงโทษกันขนาดนี้นะเสร็จแล้วเจ้าลิชวีก็เออใช่เนาะแหมก็เห็นอกเห็นใจเพราะท่านช่วยรักษาผลประโยชน์บ้านเมืองของเราท่านเมื่อก่อนท่านอยู่เมืองโน้นอะ่ะท่านอยู่ตําแหน่งอะไรบอกข้าพระองค์เป็นอํามาตะฝ่ายวินิจฉัยเจ้าลิชวีบอกอาด ม, ด ม, ดมยกตําแหน่งนี้ให้เลยพรามนั้นก็ทําหน้าที่วินิจฉัยอันดีทําหน้าที่วินิจฉัยไตยส่สวนเพราะฉะนั้นมันจะมีข้อมูลเยอะ คือเขาเลือกตรงจุดพอดีเลยเพราะฉะนั้นเขาก็คือเรียกว่าเลือกจุดตรงที่มันมีข่าวเพราะฉะนั้นข่าวจากหนึ่งสู่ที่หนึ่งเขาจะพานข่าวทั้งหมดเรื่องของอยู่แทบจะอยู่หน่วยข่าวกรองและสอนพวกไปเป็นอาจารย์สอนพวกกุมารนหนุ่มๆด้วยในฐานะผู้เชี่ยวชาญนะในฐานะผู้เชี่ยวชาญก็กินเงินเดือนพิเศษเลยวันนั้นเสร็จแล้วก็สอนศิลปะในราชสำนักของเจ้าฤิชวีนะนะก็ควบคุมพวกกุมารหนุ่มๆ ห, หมายความว่าชายหนุ่มทั้งหลายแหละของกษัตริย์เมืองนี้จะเป็นลูกศิษย์ของ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 โอ้ใครพูดใครพูดโม้นไงทะเลาะกันแล้วสองคนแล้วอีกที่หนึ่งก็บอกว่าโอ้ไปเไปพูดให้กษัตริย์ขี้ขาดคนนึงบอกโอ้เนี่ยคนโน้ น, นเขาอักคันคุณเนี่ยขี้ขาดมากขี้ขาดตาขาวแล้วมพูดอย่างนี้ได้ยังไงนะคนขี้ขาดนะจริงๆก็ทําเป็นงั้นแหละก็เลยแตกแยกกันโอ้ทะเลาะกันไปหมดสรุปว่าไปส่อเสียดยุแยงแตะแคงรกุกเมืองภัยาลีสามปีแตกกันหมดเลย บ้านเมืองแตกแยกกันปันป่วนกันไปหมดเขาเรียกว่าตีกลองประชุมยังไม่มาประชุมกันเลยเนี่ยนะพราออะไรบอกมันภาระทั้งหมดทุกคนก็ปัดออกนอกตัวหมดเลยทุกคนไม่มีความรับผิดชอบนะถือว่าอะไรนะมันไส้คนอื่นไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาไปประชุมเนี่ยก็ไม่ไปทางเดียวกันนะเนี่ยนะแหมหลบกันนะต่างคนก็ต่างหลบทุกคนมองดินเขาเรียกว่าจิตใจเนี่ยใหญ่เท่าไส้เดือนนะพวกนี้ก็คี้แคบๆเน่ยนะ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 มันต้องพวกพระราชาไม่ต้องพวกคนเป็นใหญ่ก็แล้วแต่หัวหน้าท่านเถอะแล้วแต่ผู้นำแล้วแต่แม่ทัพก็ยกบ่ายเบี่ยงคนโน้นทีบายเบี่ยงคนนี้ทีเพราะส่อเสียดเขาบอกว่าอะไรจะร้ายแรงเท่ากับการยุยงแยงตะแขงรัว่วส่อเสียดไม่มีในโลกนี้มันยิ่งใหญ่มากขนาดพ่อสอ่ออเรียกว่าพ่อพ่อลูกรักกันมากถ้ามีคนใดคนหนึ่งมาส่อเสียดพ่อกับลูกก็แตกกัน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 มีลูกบริวารบริวารก็แตกแยกคือเต็มไปด้วยรอยราหาไปหมดอ่ะนะเหมือนกับว่ามีบ้านบ้านก็ราวางั้นเถอะมีอะไรก็มีแต่เสียหายไปหมดอ่ะนะลักษณะเนี้ยโทษกรรมของประเภทส่อเสียดท่านบอกว่าบางแห่งอธิบายถึงขนาดว่ามีร่างกายร่างกายเนื้อตัวก็ยังหลุดลุยออกไปเลยเพราะอะไรเพราะกรรมประเภทส่อเสียดเนี่ยนะในที่สุด แม้กระทั่งสงครามมาประชิดเมืองเนี่ยนะไม่มีคนขี้เกียจแม้กระทั่งไปปิดประตูเมืองอ่ะปิดประตูเมืองใหญ่เนี่ยนะให้กองทัพเพราะฉะนั้นในที่สุดก็ย่อยยับเลยเนี่ยนะย่อยยับแผ่นดินนั้นก็ตกเป็นเมืองขึ้นของของใครของพระเจ้าอาชาสตรูเนี่ยนะปกครองคือเมืองเมืองกลุ่มราชวงศ์สายอาชาตสตรูก็ยังเจริญรุ่งเรืองในเขตนั้นไปชั่วระยะหนึ่ง เสร็จแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งมาล้างเผ่าพันธุ์เขาถือว่าเป็นวงฆ่าพ่อคือคือพระเจ้าอุทัยพัฒ์ฆ่าพระเจ้าอาชาตสตรูเขาก็มีการฆ่ากันหลายๆชั้นในที่สุดอัมมาตทั้งหลายก็เลยประชุมกันบอกวงนี้ไม่เอาและ ว, วงฆ่าพ่อก็เลยสร้างวงขึ้นมาใหม่แล้วก็สร้างวงขึ้นมาใหม่จนถึงวงของพระเจ้าจันทรคุบแล้วก็จนถึงวงของเนี่ยซึ่งเป็นเชื้อสายอันเยไอโมริยะวงอ่ะวงของนกยูงนะจนถึงพระเจ้าอาโศกแล้วพระเจ้าอาโศกก็ย้ายเมืองไปอยู่แถว มีการย้ายเมืองไปอยู่ที่ปาตลิบุตรคือก็คือเมืองที่จะกล่าวต่อไปนั่นแหละเมืองปาตริบุตรนั้นจึงเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มากสมัยพศประมาณ200ปี200ปีหลังพุทธปรินิพานนั่เป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่มากเรียกว่าศูนย์กลางพระพุทธศาสนาไปทั้งทางน้ําและทางบกเลยนะทางน้ําก็ไปทางทะเลพันส่งไปแพร่ทางสายทะเลด้วยสายบกสายต่างๆพระศาสนาเจริญรุ่งเรืองที่สุดก็สมัยพระเจ้าอาโศกนั่นแหละ แต่ว่าเหตุการณ์บ้านเมืองเริ่มมีปัญหาตั้งแต่ปลายปลายพุทธสมัยสมัยที่พระองค์มีพระชนอยู่แล้วมันก็เรื่องกินใจเรื่องไม่เป็นเรื่องทั้งหลายนี่แหละก็ที่จริงอ่ะเรื่องน้ำพึ่งหยดเดียวนะเสียบ้านเสียเมืองเลยนะมันเรื่องเล็กๆน้อยๆนี่อย่าถือว่าอยากคิดนะว่าไม่สำคัญจะสร้างความลุกลามใหญ่โตไม่ได้เป็นไปได้หมดอ่ะนะมันเรื่องเล็กเรื่องน้อยอย่าลื ม, ม่าไฟเผาเมืองเนี่ยไม่ใช่ว่าไฟแบบอะไรนะ ระเบิดนิวเคลียมาลงแล้วเผาเมืองไม่ใช่หรอกก็ไฟเนี่ยไฟเล็กไฟน้อยไฟกระพริบธรรมดานิดนิดน้นนนอยนี่แหละเสียหายไปหมดเลยอย่างคนที่ประสบอุบททัติเหตุเนี่ยนะเกิดจากอะไรก็เกิดจากง่วงนิดเดียวแค่นั้นแหะรถชนกันตายไปหมดเลยอย่างนั้นมันสาเหตุจากเรื่องแต่ละเรื่องไม่ได้เกิดจากเรื่องใหญ่มันก็เกิดจากเรื่องเล็ ก, ลกๆน้อยๆนี่แหละก็กลายเป็นที่มาของเรื่องราวใหญ่โตลุกลามไปหมดจะขึ้นหัวข้อใหม่ เดี๋ยวหัวข้อใหม่จขึ้นตอนบ่ายดีกว่าที่พระพุทธเจ้าสอนพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยนะก็ะคืออาศัยเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยพระองค์ก็มาปารบสอนพระภิกษุทั้งหลายเกี่ยวกับอับปริหานิยธรรม อ, รอับปริหานิยธรรมแปลว่าธรรมที่ไม่เสื่อมธรรมที่รักษาความเจริญให้คงอยู่ต่อไปได้ไม่ให้เสื่อมก็เลยเรียกว่าอัปริหานิยธรรม นะช่วยปกปักรักษาความเจริญแนวแนวทางแห่งความเจริญป้องกันความเสื่อม嘛นะแม้แต่บ้านเมืองใดที่ปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรมเจ็ประการนี้บ้านเมืองเหล่านั้นก็เจริญเจริญแน่นอนเนยนะแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าก็อาศัยแนวทางเดียวกันนั้นมาสอนพระพิสูุนทั้งหลายให้ปฏิบัติอยู่ในข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมเดี๋ยวก็ตอนบ่ายแล้วค่อยอีกครั้งหนึ่งจงพาน